เรียนธรรมะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เบียดบังเวลาธรรมหากินเราสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนะในชีวิตเราตามปกติก็เจริญสติไปธรรมะอยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักวิธีเราไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนคนส่วนมากก็เที่ยวสแสวงหาธรรมะไปเที่ยวสแสวงหาออกไปภายนอก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 ไม่รู้วิตย์เริ่มตั้งแต่ร fect 아아 ha ไม่รู้ว่าว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้วิตย์ที่จะเข้าไปเห็นธรรมะทางท้ั้งที่ธรรมะแสดงตัวตลอดเวลาจะมีพ صل พบทรเจ้าหรือไม่มีพ صل พบทรเจ้าธรรมะ landing ราไมเหนเร pekt Bispo purchased ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนไม่รู้วิตย์ที่จะเข้าไปรู้ธรรมะในโลกไหมนั้นมีธรรมะ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 ล่อ jaar tractor. เริ吧 ث ั่นเวลาคิดถึงการปฎิบัติที่อะไระจะไปนั่งสมาธิตอนนี้นั่งหลับตามาเริ่มตัวนหายใจไปห า, ใจหายใจสงบ это ถือว่าวันนี้ได้ปฏิบัติ�도ธรรมได้ปฏิบัติอะไรได้ปฏิบัติสมทะ某ธารทำสมทะกรรมธารจะเจ็นธรร ม, มไหมไม่เห็นหน enable minute ทำสมทะกรรมธารแล้วได้อะไรได้ความสุขได้คว ความสุขความสงบคุณงามความดีเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรเอาไว้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขอย่างจิตใจเรามีความสงบเนี่ยเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายนะเรามีความสุขเขาเดินขบวนกันเย่เย่ตีกันไงเราก็อยากสงบสุขเป็นพระปลอมเป็นคนดีเนีไม่ยเป็นคนดีเวลาราคะเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาอสุภะไปอย่างเงี้ย จิตสงบจิตเป็นคนดีไม่มีราค annt เวลาโทษะ father 무리 Behavior แล้วก็พิเจราณาเจร tablesia เ, เจร ans picia needlesia ตาไปเรื่อยๆโทษะก็ดับไปเราก็เป็นคนดีมี Crimeبة เ, เวลาใจมันหลงฝุ้งส้านไปเราจะมาอยู่กับพุทธโทว�อยู่กับลมหายใจจิตไม่หลงฝุ้งส้านจิตสงบไปเป็นบุ ivot เป็นคุณสลแล้วก็อยู่ในโลก relationships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 ยืนลอรอรดเมยือย่อที่ไ됐 sentiments, till theấncript would be supported by the world, ดูร่างไกร Having said that a bit, พุตโทวๆพุตโทวไปฟั่งหายใจไ ป, ปงไปนั่งรอสั่งเว้าไว้เว้าไว้เงิ่มไม่มาฟ uage to make yourself ทำไปเรื่ IL nachana ไม่ต้องต้องมีใครมาสั่งให้เราทำเราอยากได้ธรรมาคิดๆสูงเรารู้ว่าศรมหายใจไปเรื่อยๆวันหนึงจะได้เป็นพระโ mogą หไม่รู้เราว่ามันคนละเส้นทางกัน การทำความสงบนั้นเป็นไปเพื่อไปสู่ภพบภูมิที่ดีเราไม่รู้จักคำว่าวิาปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราย้อนเข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นทำความสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาไม่เห็นความจริงของไกายของใจปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของไกายของใจจนมาปีสองห้านะอายุยี่สิบเก้าแล้ว เท่ากับปีที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเราไม่ได้ออกบวชเราไปเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองก่อนหน้านั้นเคยได้ยินนะให้พุทโธพิจารณากายอะไรเนี่ยมาลองทำดูแล้วใจมันไม่เอารู้สึก ง, ง่ายไปมาดูกายนะเห็นผมปุ๊บผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะทะลุนะเห็นหัวก็หลบขาวๆเลย ดูลงไปอีกหัวหายไปขาดดูต่อไปเห็นกระดูกทั้งตัวนั้นดูต่อไปแตกเปรีย้ยสลายปเป็นแสงสว่างไปหมดไปรู้อวตารทั้งหลายนี่นะพอแยกออกไปถึงที่สุดแล้วเป็นความสว่างเท่านั้นเป็นแสงเป็นคลื่นเป็นคลื่นคลื่นเป็นแสงที่ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะแล้วไปต่อไม่ได้แล้วเหลือแต่จิตอันเดียวภาวนาทำไงวะ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 โดยอัตโนมัติเพราะจิตนี่อาศัยอยู่ในกายเหมือนเราจะดูเจ้าของบ้านนะยังไงก็ต้องลืมตาขึ้นมาดูเจ้าของบ้านมันก็เห็นบ้านด้วยคนมันอยู่ในบ้านจิตมันอยู่ในกายเมื่อมีสติรู้ลงที่จิตมันก็เห็นกายไปด้วยทีก็เห็นกายเคลื่อนไหวกายเด่นขึ้นมาทีจิตเคลื่อนไหวจิตเด่นขึ้นมาสติก็ระลึกอยู่ในกายอยู่ในจิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ ภาวนาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเขาเข้าใจความจริงขึ้นมานะกายนี้จิตนี้ไม่เชี่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีเจ้าของค่อยเห็นไปเรื่อยๆเลยรู้เลยโอ้ธรรมะนะั่นอยู่กับตัวเรามาแต่เกิดนะธรรมะก็คือกายกับใจนี้แหละกายเรียกว่ารูปประธรรมใช่ไหมคำว่ารูปประธรรมก็คือรู ป, ปรธรรม ะ, ะธรรมะที่เป็นรูป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 ร่างกายก็สอนเราตลอดเวลา น, ะนั่งอยู่กระทุ chips เดินอยู่กระทุ scratches, นอนอยู่กระทุ problem ก, กินเข้ bisog desarrollo กิน Excel ข้าวก็ ก, วก็ปราบทุ anking ก하세요นะอด gods เข้ alog ก็ทุ wick cómo 取 shouted, หายใจออกก็ทุกย์หายใจขาเข้ Bugages ว่ alternative ก็สอนให้เราเห็นแตกปรับทุกยีรวยเวลา我 wit fel we ので quand we can do this อยู่ต pulse z 서로เราไม่สนใจที่จะเรียนเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองนะไม่สนใจ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 คิดว่าตัวเองนี้เป็นเชื้อเพลิงเลยเผาใช้ก๊าซิ่นเผาร่างกายเนี้เผาไปเรื่อยให้มันติดไฟขึ้นมาเอาให้ไหมไปให้หมดเลยพอไฟไหมหมดแล้วนะจะเหลือตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็มารู้ตัวรู้ต่ออีกก็เดินได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะมันจะไม่ปฏิเสธเส้นทางเดิมซึ่งแตกต่างกันคนที่เข้าใจหลักการปฏิบัติแล้วไม่ปฏิเสธ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 มีสติวนเวียนอยู่ในกายในใจเนี่ยอย่าทิ้งมันกลายก็สอนธรรมะเราคือสอนไตรลักษณ์จิตก็สอนธรรมะคือสอนไตรลักษณ์สอนไป เ, เรื่อยพอเห็นมากมากนะใจมันเบื่อพอ ร, รู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะเบื่อหน่ายพอจิตเบื่อไหน่ายจิตจะคลายความยึดถืออย่างแต่เดิมสมมติหลวงพ่อมีพัดกับเขาอยู่หนึ่งงานเนี่ยชอบชอบ ใครทำมากเขาไม่รู้มีชื่อด้วยสนองอัตตาดีมีชื่อหลวงพ่อมาพัดเองหลวงพ่อ ก, กูดีไว้กูเก่งมีชื่อเลยลูกศิษย์เอาไปพัดนี่เรามีอาจารย์ดังยิ่ยงพัดกิเลสยิ่ยงงอกเพราะหลวงพ่อมีพัดวิเศษอย่าง น, นั้นหัวงบวงนะวันหนึ่งเกิดสติเกิดปัญญาหันมาดูวิเชลาทั้งอันเลยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษ เราจะทำยังไงเราจะโโอะเข้ามาไหม <c oughs> เราจะรีบโยนทิ้งใช่ไหมเราจะรีบโยนทิ้งถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตจะโยนมันทิ้งโยนทิ้งเองนะไม่ต้องหาทางโ ย, นโยนทิ้งของมันเองนะมันไม่ใช่ของดีนี่เหมือนเราเดินเดินไปนะทำแหวนเพชรตกที่พื้นก้มลงไปจีบพื้นมากลายเป็นจีบเอากิ้งกือขึ้นมา จะเอามาสวมนิ้วไม่มาพันคงรีบโยนทิ้งคือเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบนะเห็นกายเห็นใจนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาแสดงตัวอยู่ในใกายในใจนี้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจทำไมต้องมาเน้นที่กายที่ใจตัวเองเมื่อเราภาวนานเพื่อลดละอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนมันครอบงำอยู่ก็เลยก่อเรื่อง สร้างความทุกข์ให้ตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไปเรื่อยสนองอัตตาตัวตนเท่านั้นอย่างเราจะด่าใครสักคนนี้ก็สนองอัตตาเราเองเราจะชมใครสักคนนะส่วนใหญ่เลยสนองอัตตาตัวเองแกล้งชมจะกินข้าวจะทำอะไรนะมันสนองอัตตาเท่านั้นเลยจะใส่เสื้อผ้าต้องยี่ห้อนี้นั่งรถต้องแพงๆถ้านั่งรถกระป๋องมานะอายเขาใครเขาเห็นแล้วอายเขาเนี่ยนั่งรถด้วยหน้าไม่ได้นั่งโดวยก้น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 มันมีตัวกูของกูคือมามันก็มีทุกายขึ้นมาถ้าไม่มีตัวกูของกูละตรงนี้กว่ decorative ความทุกข corrected paintings ตั้งอยู่ที่ไห น, ตงอยท ไ, หนกได้เดียนมาแต่ไม่ใช่ตัวกูของกูนเรายใจเรียนลื ional ร, รู้ลงในกล่ายในใดอย่างใจเพราะอะไรเพราะวาเรารู้สึกว่ากล่ายนี่ใจนี่คือตวากู limitations คนหลังรู้ๆไปกรู้สึกว่านกูอยนู่ทั้งกล่ายทั้งใจ แต่มาภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวกูแต่ร่างกายเนี่ยร่างกายของกูนี่ลดระดับนะแต่เดิมคิดว่าร่างกายเป็นตัวกูจิตก็เป็นตัวกูมีกูอยู่คนเดียว ก, กายกับจิตรวมเป็นอันเดียวกันรู้สึกว่าเป็นก้อนเดียวกันมาหัดภาวนาไปช่วงหนึ่งเลยเห็นว่าจิตเป็นตัวกูนะแต่กายไม่ใช่ตัวกูกายเป็นแค่ของกูลดระดับไปภาวนาไปอีกจนวันหนึ่งเห็นว่ากระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวกูนะ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 ผู้ใหญ่นั่นก็ดิ้นรนอยากได้เงินเยอะๆอยากได้อำนาจแย่งเก้าอี้กันแย่งอะไรดิ้นไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากมีความสุขเลยคนไหนมีความทุกข์อยู่ก็ดิ้นหนีความทุกข์ไปได้วยจิตมันดิ้นจิตการดิ้นนั่นแหละนำความทุกข์มาให้มีพบแล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาทุกทีมีตัณหาคือมีความอยากก็มีฝันดิ้นรนตัณหาเป็นแรงดิ้นทำให้จิตดิ้น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 แก่เจ็บตายนี่มันเป็นของเราเหรอกเราถึงได้ทุกข์กับมันถ้าไม่เป็นของเรามันก็ไม่ทุกข์กับมันหรอกยกตัวอย่างนะถ้าไฟไหม้ใกล้ใกล้บ้านรู้สึกไหมตกใจมากไฟไหม้อยู่ไกลไกลแค่สนใจว่าไหม้ที่ไหนที่อยากไปดูสนุกคนอื่นชิบหายเราสนุกชอบเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ตัวกูของกูแต่ถ้าไฟไหม้ใกล้ใกล้บ้านมานะกูของกูจะชิบหายแล้ว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 มีความแ ป, ปรคลัวนอยู่นิศพา trollenntfaint ไ, ไม่มีเหตุให้เกิดนิศพา trollenntfaint ไม่มีเหตุให้เกิดนิศพา trollenntfaint เป็นธ ร, รมะซึ่งครองโลกอยู่มาแต่ไหนแต่ไ advertisements อีก acy นิจัยไม่มีตันหาไม่เริ่มอยากไม่ part of rebirth ไม่สามารถเห็นนิศ cents ได้ไม่มีความสิ่นตัยหาเกิด sight ใจที่ปรุงแต่งก็เห็นของปรุงแต่งใจที่พ้นความปรุงแต่งก็เห็นของที่ไม่ปรุงแต่งนี่นเราค่อยฝึกนะจนจิตใจฉลาดหมดความยึดถือในกายในใจหมดความดิ้นรนปรุงแต่งไม่สร้างภพบสร้างชาติเราก็จะเห็นนิพพานตอนหน้าต่อตาประจักษ์นิพพานอยู่ตอนหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยนั่นเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆนะเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อกิม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 ไม่เคยพ้นจากความปรุงแต่งเลยเพียงแต่ปรุงหยาบหรือปรุงละเอียดเท่านั้นเองปรุงหยาบก็ปรุงชั่วชั่วขึ้นมาปรุงละเอียดขึ้นมาก็ปรุงความสงบความว่างความนิ่งความเฉยอะไรขึ้นมาจิตยอย่างนี้ไม่เห็นนิพพานหรอกแต่ว่าถ้าได้โสดาสัคตะคาพานาคาอะไรเนี่ยเคยเห็นนิพพานมาแล้วในขณะที่เกิดมาเกิดผลเวลาที่มนานัสิกานนึกถึงนิพพานนะก็สามารถเห็นนิพพานได้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 เวลาไม่มีธุระจะอยู่กับสมมติก็อยู่กับบีมุดก็มีแต่ความสุขล้วนๆเวลาอยู่กับสมมติออกมาอยู่กับสมมติอยู่กับโลกมาทำประโยชน์กับโลกไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเองธาตุขันก็เป็นคนทำงานแตแตใจใจแล้วมันไม่กระเพื่อมใจมันไม่ไหวใจมันไม่ปลุกนะใจมันไม่บีบขันแต่ธาตุขันท่านถูกบีบขันเหนื่อยอย่างพระพุทธเจ้านะท่านสอนมากๆท่านก็เหนื่อย ถึงวันหนึ่งท่านก็พักมีเวลาพักนะพระพุทธ เ, เจ้าถึงปีอะไรเงี้ยท่านก็ไปพักทีหนึ่งหลายหลายวันบางคราวท่านสอนมากเลยพระเยอะสอนสอนสอ น, สอนไปท่านเหนื่อยเต็มทีนั้นท่านก็ไปพักสั่งเจ็ดวันนี้ไม่รับแขกเจ็ดวันนี้พระอนุนนะเอาอาหารไปส่งได้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ไปพอท่านไปพักพอสมควรแล้วกลับออกมาเนี่ยพระที่ภาวนาผิดผิดฆ่าตัวตายไปตั้งเยอะเลยก็มี นี่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์มันก็ทนไม่ไหวแต่ว่าใจซึ่งมันทรงธรรมอยู่แล้วนะมันไม่เสื่อมใจที่มันทรงธรรมแล้วไม่เสื่อมมีแต่ความสุขนะมีความสุขล้วนๆเลยกลางวันก็มีความสุขกลางคืนก็มีความสุขเพราะใจไม่ดิบไม่บีบขันธ์ใจไม่ดิ้นรนใจสงบใจมีสันติสุขสันตินั่นแหละแปลว่านิพพานนิพพานมีสันติลักษณะนิพพานมีลักษณะของสันติ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 จิตที่พ้นจากความยึดถือในใกายในใจเรียกว่าวิมุตต์พ้นจากขันวิมุตต์จิตไม่มีความอะไรอาวรณ์ในขันเรียกว่าอนารยะอนารยะอนารโยเนะอนารโยก็ผู้ไม่มีอะไรอาวรณ์เนืน้อคำเหล่านี้นะเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันมีวิราคะสิ่งเหล่านี้เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยนิพพานมีชื่อเยอะแยะเลย แล้วแต่แง่มุมที่จะมองวิราค้าก็คือสิ้นตันหานิพพานเป็นความสิ้นตันหานิพพานเป็นวิสังขารคือสิ้นความปรุงแตง่งนิพพานเป็นอสังขตะเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ปรุงแตง่งนิพพานเป็นอนารยะเป็นธรรมะที่ไม่มีความผูกพันนิพพานมีปฏินิสสคะสลัดสิ่งผูกพันเครื่องข้องทั้งหลายถูกสลัดทิ้งไปหมดนิพพานเป็นวิมุต หลุดพ้นจากความยืดถือในกลายในใจนิฟาร์เป็นนิฟาร์คือมีสานติมีความสุขนะเพราะเรามีบูนย์วัส astronomical โตรชนามากธรรมายังดำลงอยู่วิธีภฐิบัติเพื่อให้เห็นธรรมะก็ยังดำลงอยู่ใครภฐิบัติได้น้อยก็ได้รับความสุขนิดๆไห น, นหน่อ ย, อยใครภฐิบัติได้เยอะจะเข้าถึงบรมมาสุข เพราะพวกเราที่เล่าเรียนธรรมะนะฝึกมาสักเดือนหนึ่งอะไรเนี่ยจิตเริ่มตื่นเราเริ่มสัมผัสความสุขของธรรมะบ้างแล้วเรียนกระหลงพ่อไม่ใช้เวลานานนะถ้าจะเอาแค่ว่าจะมีสติอยู่กับโลกหรือเอาธรรมะต้นๆอะไรเนี่ยใช้เวลาไม่มากนะคักคอยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันอย่าเอาแต่เพ่งให้จิตนิ่งเวลาที่เราจเจริญสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปบางทีจิตเหนื่อย จิตอ่อนล้าอันนี้เรากลับมาทำสมถะพวกเราอย่าจำไว้ว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้ทำสมถะนะหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นพวกเราเพี้ยนไปเองหลวงพ่อสอนว่าทำสมถะนั้นทำให้เป็นสัมมาสมาธิให้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาไม่ใช่ทำเอาเคลิมทำเอาโมหะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำสมถะนั้นทำแค่โมหะสมาธิสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะมืดมืดมัดมวมวัมวโง่โ ง, ง่ใช้ไม่ได้ ต้องทำสมาธิที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอ ม, มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนี่ตรงนี้หลวงพ่อก็ต่อต้านจะมารู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆเท่านั้นไม่พอให้มีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเ ร, ร, ร, ร, รื่อยไปตรงที่เราดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่เอง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 รู้จิตก็ไม่ได้รู้กายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะ、um. ทำความสงบไว้ก่อนเป็นเครื่องอาศัยไว้ก่อ น, นพอจิตมีกำลังแล้วก็กลับมาดูจิตได้เช่นทำสมถะแล้วจิตมีความสงบรู้ว่าสงบจิตปีติรู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่าสงบรู้ว่ามีความสุขจิตมีอุเบกขารู้ว่ามีอุเบกขาเรื่องไปเรื่อยจะเห็นสภาวะทางจิตนี่เกิดดับเปลี่ยนแปลงพอออกมาอยู่กับโลกภายนอกนี่เราจะเห็นจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา